สวัสดีครับปตอมนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอมก็จะมาคุยถึงเรื่องแพทค q วแหละว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปบอกเพื่อนเราเนี่ยหรือว่าเรากําลังจะทําตัวนี้ให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาเราต้องรู้ก่อนว่าแพทค q วคืออะไรจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแพทเทิลหรือแกนหลักสําคัญนะครับในการที่จะคุยกับเขาเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยแพทคิ q นะครับ มันก็เป็นเป็นช่องทางโซเชียลนั่นแหละหรือช่องทางการเขียนสกรูปต่างๆเขียนท็อ ป, ปิกต่างๆนะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะเขียนข่าววงการบันเทิงอะไรก็ได้นะฮะจะโพสต์อะไรก็ได้นะ ร, ออไ ร, ไดรูปลูกสาวรูปแฟนทุกอย่างธุรกิจความสวยความงามทุกอย่างได้หมดเลยนะครับมันคือช่องทางโซเชียลชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่าวัานนี้ช่องทางโซเชียลเนี้ยผมเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าเหมือนเวลาเราเล่น Facebook พอเวลาเราโพอสต์อะไรลงไปในเฟซบ o ๊กเนี่ย ที่แน่ๆเลยก็คือว่าวันนี้ Facebook หาเงินได้จากการขายโฆษณาถูกต้องไหมครับแสดงว่าทุกเรื่องท็อปิกต่างๆที่อยู่บนเฟซบ o o กเนี่ยแม้ไม่ว่าเราจะกดเข้าไปอ่านเราจะกดเข้าไปวิวเราจะกดเข้าไปไลค์หรือกดเข้าไปแชร์เนี่ยทุกอย่างได้เงินหมดเลยแต่ Facebook ได้นะแต่คนที่โพสต์แบบเราไม่ได้นะครับทีนี้เพจคิวเนี่ยนะครับมันก็เป็นการสร้างท็อปิกของเราเองนี่แหละแต่ท็อปิกตัวเนี้ยนะครับหรือเรื่องราวต่างๆพวกนี้นะครับจะถูกจะถูก ผมเรียกว่าจะถูกสแตนบายอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยยาวนานเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนกดเข้าไปดูในเรื่องราวที่เราเขียนนะครับแน่นอนว่า View, Like, s h a r ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือค่าโฆษณาที่เราจะได้นะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราแค่เปลี่ยนที่โพสจากที่เคยโพสบน Facebook อยู่แล้วเปลี่ยนมาโพสที่เพจ e QQ นะครับแล้วก็แชร์มาที่ Facebook ของเราหรือแชร์ไปตามสถานที่โซเชียลต่างๆ Li น์กูเกิลเพต่างๆได้หมดนะครับ ท, ทุกวิวที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนอื่นเข้าไปดูเนี่ย น, น, นั่นคือเงินนะครับวันนี้เนี่ยมีคนสมมุติผมตั้งท็อปิกว่าขั้นตอนการทํำข้าวมันไก่วันนี้มีคนกด Google นะครับเซิร์ชกูเกิลแล้วก็ไปดูว่าขั้นตอนการทํำข้าวมันไก่เป็นไงอ่าก็เด้งท็อปิกของเราขึ้นมาปุ๊บมีคนกดเข้าไปดูกดเข้าไปอ่านปุ๊บเราได้เงินอ่าทีนี้การเป็นเจ้าของไอตัวเจ้าเจ้าเว็บบล็อกตัวนี้ที่เราไว้เขียนท็อปิกนะครับการจะเป็นการเป็นเจ้าของเพจคิวคิวเนี่ยมันจะมีค่า ซึ่งหนึ่บาทถ้าเรามองเนี่ยผมไม่อยากให้มองจริงจังมากนะห0ึ่บาทเราเสีย1000บาทไปกับอย่างอื่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับแต่1000บาทนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของเว็บบล็อกเพื่อที่เราจะเอามาเขียนเราหาเงินอ่าทีเนี้ยเราสามารถแนะนําเพื่อนเราได้ด้วยให้มาใช้ให้มาใช้พื้นที่การเขียนแบบนี้ได้เหมือนกันกับเรานะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเราเร า, เราสมัครเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บบล็อกเพจคิวคปุ๊บเนี่ย เราสามารถแนะนําเพื่อนได้อ่าเช่นผมแนะนําเพื่อนผม2คนให้มาใช้เพจคิ Q เหมือนกันเปลี่ยนสถานที่โพสตได้เงินเหมือนกันผมได้ละฟาสใช้คําว่ายอดขายแล้วกันอ่าเรากําลังขายพื้นที่เพจผมใช้ยอดขายยอดขายผมได้ 50% นตะครับต่อการแนะนำหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าผมได้500บาทบริษัทจ่ายให้นะครับห้าบาทนะครับเป็นคิวก็คือประมาณ10บคิวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมแนะนํากี่คนก็ได้ซึ่งจริงๆผมแนะนํา2คนผม คืนทุนแล้วถูกต้องไหมฮะก็คือ 1,000 ผมแนะนํากี่คนก็ได้นะครับแนะนํา10คนก็เท่ากับ5000แนะนํา20คนเท่ากับเท่าไหร่หมื่นนะึ่งะเยอะนะอ่าทีเนี้ยผมให้มองว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นแคตโฟเล็กๆน้อยนที่ใช้สําหรับเอ่อค่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟในช่วงในช่วงต้นๆเรามองแบบนี้ก็ได้มองให้มันเป็นเหมือนอีกกระเป๋าหนึงคนเรามี2กระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเดียวนะครับและที่แน่คือวันนี้มันเป็นกระเป๋าที่ ที่เราต้องเล่นอยู่แล้วที่เราต้องออนไลน์กันอยู่แล้วที่เราต้องโพสต์กันอยู่แล้วแต่เราโพสต์ยังไงให้มันได้เงินล่ะหรือช e ่องทางการหาเงิน <guiding> อ <you> ีกช่องทางหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมต้องใช้คําว่าอย่าจริงจังมากนะครับต้องใช้คําว่าใช้คําว่าเข้าใจแล้วให้มองว่ามันเป็นช่องทางอีกกระเป๋าเงินนึงแค่นั้นเองนะครับที่เราจะเอากระเป๋าเงินนี้ไปจับจ่ายใช้สอยแต่ผมมองอย่างหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีทุน เยียวยมหาศาลสามารถไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถทำธุรกิจใหญ่ๆได้เป็นหลักหลักหลายมืน่นหลักหลายแสนหลักหลายล้านเนี่ยผมมองว่า 1,000 งันเนี้เป็นเป็นอีกช่องทางหนึง่งนะครับที่ทำให้เราหาเงินง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมผมจะแบ่งปันนะครับการการคุยกับคนเนี่ยก็คือประมาณนี้ที่ผมพูดผ่านมาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนนะ ลองลองสรุปเป็นความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วก็ลองคุยสื่อสารที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ชวนเขามาเล่นเล่นเล่นการเงินเน่ยเราชวนเขามาซื้อพื้นที่ในการที่เขาจะจะจะเป็นเจ้าของพื้นที่โฆษณาเขียนท็อ ป, ปิกอย่างเงี้ยแต่หลักๆเลยเนี่ยในช่วงต้นถ้าคุณต้องการมีไรายได้กระเป๋าเงินที่มากขึ้นเราก็แนะนําเพื่อนให้ใ ห, ให้เข้ามาใช้แพจตัว น, นี้นะครับแล้วก็อีกอีกนิดนึงนะครับที่อยากเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้น นะครับของตัวเพจ e QQ ที่เพิ่งทำมาไม่นามนมานี้เองนะครับอยากให้เข้าใจว่าทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้แบบสวยหรูมากอาจจะยังไม่พร้อมในทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องความเข้าใจอยากให้เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกับว่าอะไรนิดละนิหน่อยก็อดทนรอ น, นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเมื่อเปิดเปิดอย่างเป็นทางการทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของความหลากหลายความสะดวกสบายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับมันจะเป็นเหมือน f a c e b o o สมัยสมัยใหม่เลยแต่ว่า Facebook นี้เป็น Facebook เครือข่ายเฉพาะที่สามารถทำเงินได้นะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ผู้ถือยูเซอร์หรือว่าผู้ผู้ผู้ซื้อนะครับก็เอาเป็นว่าเนี่ยในเบื้องต้นก็จะเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ